เจร า, านพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นมาลังคาที่ส1บธันวาคมพุทธศักราชส5งพันห้าหเป็นวันพระวันธรรมมัสสวาณะวันฟังธรรมเป็นวัน สุดท้ายของปีพุทธศักราช2556ญาติโยมพุทธบริสัตว์เจนได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลที่จะเป็นเหตุให้ชีวิตได้มีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับ ชีวิตของเรานี้ก็เป็นเหมือนบริษัทบริษัทก็มีบัญชีบัญชีก็คือบัญชีรายรับบัญชีรายจ่ายเวลาสิ้นปีบ ร, ริษัทเท่าก็ตรวจดูบัญชีดูว่าปีนี้รายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่ถ้ารายรับมากกว่ารายจ่ายก็ถือว่าได้กาไรถ้ารายจ่ายมากกว่า รายรับก็ถือว่าขาดทุนใจของเราก็มีรายรับมีรายจ่ายเช่นเดียวกันบุญนี้คือรายรับส่วนบาปนี้คือรายจ่ายวันนี้เป็นวันสิ้นปีเราก็ต้องมานั่งคิดบัญชีบุญกับบาปของเราดูว่าตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานี้เรามีรายรับ มากกว่ารายจ่ายหรือเปล่าหรือเรามีรายจ่ายมากกว่ารายรับเราต้องตรวจสอบดู ว, ว่าปีนี้เราได้ทำบุญมามากน้อยเพียงไรปีนี้เราได้ทำบาสมามากน้อยเพียงไรถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราได้กาไรก็ขอให้เรารีบเร่งทำบุญสร้างรายรับให้มีให้มากขึ้นไปต่อไป เพราะว่าเวลาที่เราตายไปรายรับกับรายจ่ายนี้จะเป็นผู้ตัดสินว่าเราจะไปทางไหนเราจะไปสวรรค์หรือเราจะไปอบายขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทาไว้ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญคือรายจ่ายมากกว่ารายรับก็ต้องไปต้องไปเกิดในอบาย ถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาป ก, ก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์สวรรค์ชั้นต่างๆมีสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ของพระอริยเจ้าจนถึงสวรรค์ขั้นของพระพุทธเจ้าคือพระนิพพานของพระอรหันต์ทั้งหลายนี่แหละคือการเดินทางของพวกเรา โลกนี้เป็นเหมือนที่เรามาเติมน้ำมันกันมาเติมบุญหรือมาเติมบาปกันมามาสร้างรายได้หรือมาสร้างรายจ่ายกันถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนามาคอยสอนให้พวกเราทำบุญละบาปเราก็อาจจะไม่ได้ทำบุญกันมีแต่จะทำบาปกันมากกว่าเพราะเราไม่รู้ว่า เราหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วเรายังมีอยู่อีกหรือเปล่าตัวเรายังมีอยู่หรือเปล่าเราจะไปไหนต่อหรือเปล่าอันนี้เราไม่มีทางที่จะรู้ได้โดยลําพังถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสู้ความจริงอันนี้ว่าเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นใจ เวลาร่างกายตายไปใจก็กลายเป็นดวงวิญญาณไปดวงวิญญาณนี้แหละที่จะไปผุดไปเกิดต่อไปไปสูงไปต่งนะถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาบุญก็จะดึงไปสวรรค์ถ้าบาบมีกำลังมากกว่าบุญก็จะดึงไประบายถ้าบุญกับบากมีกำลังเท่ากันก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ อย่างตอนที่เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็ถือว่าบัญชีบุญกับบัญชีบาปของเรามีกําลังเท่ากันมียอดเท่ากันเราจึงไม่สามารถไปสวรรค์ได้ไม่สามารถไปอบายได้เพราะว่าผู้ที่จะดึงไปสวรรค์หรือดึงอบายนี้มีกําลังเท่ากันถ้าแข่งกีฬาก็เหมือนกับว่าเสมอกันไม่มีฝ่ายได้แพ้หรือฝ่ายได้ชนะ ก็ออบุญกับบาสนี้มีกำลังเท่ากันเราก็จะมาเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์พอมาเป็นมนุษย์เราก็จะมาเริ่มทำบุญทำบาป ก, กันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมคือพ่อแม่พี่น้องสังคมถ้าเราไปเกิดในสังคมที่เป็นคนดีเป็นสังคมที่ชอบทำบุญละบาปเราก็จะได้ทำบุญละบาปไปกับเขา ถ้าเราไปเกิดในสังคมที่ชอบทำบาปไม่ชอบทำบุญเราก็จะไปทำบาปกับเขาไม่ทำบุญกับเขาแต่ถ้าเรามีนิสัยที่ชอบทำบุญมากกว่าการกระทำบาปถึงแม้ว่าเราจะไปอยู่ในสังคมของคนทำบาปเราก็จะไม่ทำตามเช่นเดียวกับคนที่มีนิสัยชอบทำบาปมากกว่าทำบุญ ถ้าไปเกิดในสังคมของคนที่ชอบทําบุญก็จะไม่ทําบุญกับเขาชอบทําบาปเช่นบางคนไปเกิดในครอบครัวที่ใจบุญสุนทานแต่ตัวเองไม่ชอบทําบุญชอบแต่ทําบาปชอบดื่มสุราชอบเล่นการพนันชอบเที่ยวกลางคืนชอบชอบคนชั่วเป็นมิตรชอบความเกลียดคร้านอันนี้แสดงว่าเป็นนิสัยเดิม ที่ได้ปลูกฝังมาในแต่ละพบแต่ละชาติเป็นเหมือนกับเวลาที่เรามีความถนัดมือขวามือซ้ายอย่างนี้เรามาเกิดนี้เราไม่ต้องมีคนมาบอกให้เราใช้มือซ้ายไม่มือขวาเพราะเรามีความถนัดถ้าชาติก่อนๆเราเคยใช้มือขวาถนัดมือขวามาเกิดชาตินี้เราก็จะใช้มือขวา ถ้าเราถนัดมือซ้ายเราก็จะใช้มือซ้ายเช่นเดียวกับถ้าเราถนัดกับการทำบุญเราก็จะทำบุญถ้าเราถนัดกับการทำบาปกับการเสพอบายามุขเราก็จะทำบาปจะเสพอบายามุขไม่ว่าจะมีใครมาคอยเตือนมาคอยสอนเราเราก็จะไม่เชื่อเราจะไม่ฟังพ่อแม่ถึงพ่อแม่บางคนถึงต้องทุกกับลูกๆูก เพราะว่าพ่อแม่เป็นคนใจบุญเป็นคนไม่ทำบาปแต่สอนลูกให้ทำตามลูกก็ไม่ยอมทำตามอันนี้เป็นเพราะว่าเขาได้ปลูกฝังนิสัยทำบาปมาเป็นเวลายาวนานเหมือนกับเขามีมีความถนัดในมือขวาหรือมือซ้ายนี่เองดังนั้นพ่อแม่ต้องทำใจอย่าไปทุกข์กับเขาเราทำหน้าที่ของเรา แล้วคือเราสอนเขาแล้วบอกเขาแล้วว่าทำบุญณบาปนี้จะเป็นเหตุที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขมีความเจริญแต่ถ้าเขาไม่เชื่อไม่ฟังไม่ปฏิบัติตามเขาชอบทำบาปไม่ชอบทำบุญอันนี้เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถจับเขาล่ามโซ่ไว้ในบ้านได้ทั้งวัน ถ้าเราไม่อยากให้เขาไปทำบาปเราก็ต้องจับล่ามโซ่ไว้ที่บ้านแต่นี่ก็เป็นการทำไม่ถูกอีกเพราะว่าชีวิตของแต่ละคนนี้ต้องเป็นไปตามบุญตามกรรมบุญก็คือนิสัยที่ชอบทำบุญนิสัยที่ชอบอาทาความดีต่างๆบาปก็คือนิสัยที่ชอบทำบาปท่าทำแต่สิ่งที่ไม่ดีต่างๆ แต่ถ้าเราได้มาเกิดในสังคมของคนดีสังคมที่คอยสอนให้เราทำบุญให้เราละบาปถึงแม้ว่าเราจะชอบการทำบาปไม่ชอบการทำบุญแต่ถ้าเราฟังด้วยเหตุด้วยผลแล้วถ้าเราอยากจะได้ดิบได้ดีได้ความสุขความเจริญเราก็ต้องพยายามฝืนนิสัยเดิมของเรา ถ้าชอบเดิมสราก็พยายามฝืนอย่าไปดื่มชอบเล่นกับการพนันก็อย่าไปเล่นชอบเที่ยวก็อย่าไปเที่ยวชอบคดคนชั่วคนไม่ดีเป็นมิตรก็อย่าไปคบชอบความเกลียดค้านก็พยายามเอาความขยันหมั่นเพียรมาแก้ถ้าเราพยายามทำไปต่อไปเราก็จะแก้อิสัยเดิมได้เหมือนกับ แขนถ้าเราถนัดมือขวาถ้าเราเห็นว่าเราจำเป็นจะต้องใช้มือซ้ายเช่นมือขวาชำรุดไปพิการไปใช้มือขวาไม่ได้เราก็ต้องมาหัดใช้มือซ้ายใหม่ๆก็จะรู้สึกว่ามันไม่ถนัดมันยากแต่ถ้าเราพยายามหัดใช้ไปเรื่อยๆต่อไปก็จะใช้ได้เหมือนกับใช้มือขวามีคนบางคนพิการ ทั้งแขนทั้งทั้งแขนซ้ายแขนขวาเขายังสามารถใช้เท้าของเขาวาดภาพให้สวยงามได้กว่าคนที่มีมีแขนมีมือเสียด้วยซ้ำไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เราสามารถฝึกฝนอบรมได้เราไม่จำเป็นจะต้องเป็นอยู่เหมือนเดิมตลอดเวลา ถ้าเราได้มาเกิดในสังคมของคนดีแล้วเขาสอนให้เราทำความดีให้เราละาบาปถ้าเรามีนิสัยชอบทำบาปไม่ชอบทำความดีเราก็เปลี่ยนได้ถ้าเราพยายามทำตามที่เขาสอนอย่างพ่อแม่ส่งเราไปโรงเรีย น, นก็ให้เราไปทำความดีกันบางทีเราก็ขี้เกียจไปเรียนไม่อยากจะไปแต่ในเมื่อพ่อแม่ สั่งสอนบอกให้เราไปเราก็พยายามฝืนไปใหม่ๆก็ไม่ชอบไปแต่พอไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ติดเป็นนิสัยก็จะชอบไปเรียนก็สามารถที่จะเรียนจบระดับป ร, ริญญาขั้นสูงๆได้แต่คนที่ไม่มีความพยายามที่ชอบเล่นชอบเที่ยวเวลาพ่อแม่ส่งไปโรงเรียนก็หนีไปเที่ยวไม่เข้าห้องเรียน คนพวกนี้ก็เป็นพวกที่ว่ามีนิสัยเดิมที่ฝังลึกอยู่แก้ยากถ้าฝังลงไปลึกๆเขาก็เรียกว่าสันดานสันดานนี่แก้ยากแต่นิสัยนี้ยังไม่ลึกยังพอที่จะแก้ได้แก้ง่ายกว่าสันดานอย่างพระพุทธเจ้านี้ท่านเคยสะสมความดีมาตลอดทําบุญละบาปมาเกือบทุกภพทุกชาติ จนกลายเป็นสันดานถึงแม้ว่าจะได้มาเกิดในสกุลของกษัตริย์ที่จะต้องทำการาทำรบต่อฆ่าศึกษัตรูเพื่อจะได้ขยายอาณาจักรอาณาอาณาอาณาบริเบตให้ใหญ่โตขึ้นไปท่านก็ไม่ทำเพราะท่านได้ถูกสะสมนิสัยให้ทำบุญบากมาตลอด แทนที่ท่านจะอยู่เป็นพระมาหาจากักรพรรดิท่านก็ออกบวชแทนมากลายเป็นพระอรหันต์ตสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาให้แก่สารโลกทั้งหลายอันนี้ก็เป็นเพราะว่าได้สะสมบุญบา ร, รมีบุญบา ร, รมีนี้ก็คือนิสัยที่ดีนี่เองเช่นนิสัยชอบทำทานนิสัยชอบรักษาศีลนิสัยชอบบวช ชอบปฏิบัติธรรมมีความมีนิสัยที่ขยันมีความแน่วแน่มีความอดทนมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ประสาททั้งหลายไม่มีเรื่องกับใครไม่มีปัญหากับใครมีแต่จะให้ความสุขมีแต่ช่วยเหลือผู้อยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นนิสัย ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปลูกฝังมาจึงทำให้ท่านได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาถ้าพวกเราอยากจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเราก็ต้องมาปลูกฝังนิสัยที่ดีให้กับเรานับตั้งแต่วันนี้ไปถ้าเราสะสมไปเรื่อยทำไปเรื่อยต่อไปเราก็จะได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าได้กลายเป็นพระอาหารหันต์ได้ เพราะการเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์นี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของผมมลรกิต์แต่เป็นเรื่องของกรรมรรมลรกษิ์กรรมก็คือการกระทาของเรานี่เองถ้าเราทำอะไรแล้วการกระทำของเราก็จะเป็นผู้ลิษิดชีวิตของเราในอนาคตถ้าเราทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงทมเราก็จะได้กลับมาเกิดเป็น กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เวลาตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นเทเเป็นพงขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดคือได้ได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปอันนี้อยู่ที่การกระทาของพวกเราไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่พ่อที่แม่ไม่ได้อยู่ที่ใครทั้งนั้นผู้อื่นไม่สามารถมาวิขิตชีวิตของพวกเราได้ เราเป็นผู้ลิกิดชีวิตของเราเองด้วยการกระทำของเราด้วยการพูดด้วยการกระทำทางร่างกายด้วยการคิดทางจิตใจอันนี้แหละที่จะเป็นเหตุที่จะให้ชีวิตของเราลุ่งเรืองหรือว่าตกต่ำไม่ได้อยู่ที่สิ่งต่างๆทั้งหลายดังนั้นขอให้เรามีความศรัทธา มีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเถิดแล้วพยายามมาสร้างบุญให้มากๆรับรองได้ว่าเราจะไม่ขาดทุนเราจะไม่ผิดหวังเราจะมีแต่จะได้กําไรในแต่ละภพแต่ละชาติทุกภพทุกภพ ท, ท, ท, ทุกชาติที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อตายไปก็จะได้ไปสู่สวรรค์ถ้าเราทาบุญณนบาปอยู่เรื่อยๆ แล้วถ้าเราอยากจะไปถึงขั้นที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องชำระใจของเราให้สะอาดสิ่งที่ทําให้ใจของเราไม่สะอาดนี่คืออะไรก็คือความอยากต่างๆนี่องความโลภความโกรธความหลงเป็นเหตุที่ทําให้เราต้องวิกลับมาเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิด เราก็ต้องชำระใจให้สะอาดสิ่งที่จะมาซักฟอกใจของเราให้สะอาดก็คือการบําเพ็ญจิตตภาวนาคือการนั่งสมาธิการเจริญปัญญาอันนี้จะเป็นเครื่องซักฟอกใจิตใจของเราให้สะอาดให้ปราศจากความโลภความโกรธความหลงให้ปราศจากความอยากในการ ปราศจากความอยากมีอยากเป็นปราศจากความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอันนี้สำหรับผู้ที่สามารถทำบุญและละบาปได้ก่อนถึงจะสามารถที่จะชำระใจได้ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะชำระใจได้เราก็ต้องเริ่มต้นที่การทำบุญก่อนพยายามทำบุญอยู่เรื่อยๆทำบุญให้มากๆทำเหนือนกับ การรับประทานอาหารเราต้องรับประทานอาหารทุกวันเราก็ต้องควรจะทำบุญทุกวันเพราะบุญนี้ก็เป็นเหมือนอาหารของใจถ้าเราทำบุญแล้วใจของเราก็จะมีพลังมีกำลังที่จะไปต่อสู้กับการอยากที่จะทำบาปได้ถ้าเราทำบุญแล้วต่อไปเราก็จะรู้สึกว่าการไม่ทำบาปนี้ง่าย แต่ถ้าเรายังทาบุญไม่ได้เรายังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ยังหวงเงินหวงทองอยู่ยังเสียดายเงินเสียดายทองอยู่อยากจะเก็บเอาไว้ใช้ให้กับเราเพียงคนเดียวไม่อยากจะแบ่งให้คนอื่นเขาได้ใช้เงินของเรามันก็จะทำให้เรานี้ไปรักษาศีลไม่ได้ละบาปไม่ได้เพราะคนที่อยากจะได้เงินมากๆ อยากจะได้เงินง่ายๆเร็วๆก็มักจะต้องทำบาปกันนั่นเองแต่สำหรับคนที่ทำบุญได้ก็แสดงว่าเขาไม่ได้อยากได้เงินทองแบบง่ายๆแบบเร็วๆ เ, เขาไม่ต้องการที่จะต้องมีเงินทองมากมายก่ายกองเขาพอมีเงินทองพออยู่พอกินได้เขาก็พอใจแล้ว อย่างนี้ก็จะทำให้เขามีเงินเหลือมาทำทำบุญพอเขาทำบุญแล้วใจของเขาก็จะเกิดความเมตตาขึ้นมาความเมตตาก็คือความคิดที่ดีปรารถนาดีอยากจะให้ผู้มีความสุขไม่อยากให้ผู้มีความทุกข์นั่นเองพอใจมีความเมตตาแล้วทีนี้เวลาจะทำาอรไรก็จะระมัดระวัง ดูว่าการกระทาของเรานี้ไปสร้างความเดือดร้อนไปสร้างความทุกข์ให้แก่คนอื่นหรือไม่พอจะไปทําบาปก็จะไม่กล้าทําทันทีเวลาจะไปฆ่าผู้อื่นก็จะไม่กล้าฆ่าเพราะไม่อยากจะให้เขาต้องทุกข์ต้องเดือดร้อนเวลาไปจะไปลักทรัพย์ของผู้อื่นก็จะไม่กล้าลักทรัพย์ เวลาจะไปประพฤติผิดประเวณีก็จะไม่กล้าประพฤติผิดประเวณีเวลาจะไปพูดโกหกหลอกลวงก็จะไม่กล้าพูดโกหกหลอกลวงเพราะไม่อยากจะทำให้ผู้อื่นเขาต้องเดือดร้อนจากการกระทำของเราเวลาดื่มสุราจนเมาก็ไม่อยากจะดื่มเพราะเวลาเมาแล้วก็จะไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นได้ เช่นเวลาเมาแล้วไปขับยานยนต์ไปขับรถก็จะสามารถเกิดอุบัติเหตุได้ทำให้ผู้อื่นจะต้องเสียเสียหายทางทรัพย์สินและทางร่างกายนี่คือต้นต้นต้นเหตุของหลักแรกของการปฏิบัติก็คือต้องทำบุญกันก่อนพยายามทำไปอย่าเสียดาย ให้เราคิดว่าเงินทองที่เรามีไว้นี้มีเพื่อมาทำบุญอย่ามาคิดว่ามีเพื่อไปซื้อของต่างๆเพราะว่าของต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถให้ความสุขกับใจเราได้ให้ความดีใจได้เพียงเดียวยวพอได้มาแล้วก็หมดความหมายไปก็อยากจะได้สิ่งใหม่ต่อจนทาให้เราต้องซื้อเข้าของมามากมาย แล้วเป็นอย่างไรก็กองอยู่ในบ้านนั้นไม่ไ้ทําให้เรามีความรู้สึกมีความสุขใจกับเข้าของเหล่านั้นเลยไม่เหมือนกับเวลาที่เราได้ไปทําบุญได้ไปช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเหดือดร้อนเวลาได้ทําแล้วเราจะมีความสุขใจมีความอิ่มใจและทุกครั้งที่เราคิดถึงบุญที่เราได้ทําไว้ถึงแม้ว่าเวลาจะได้ผ่านไปนานแล้วก็ตาม พอได้คิดทีไรก็จะมีความสุขใจทุกทีไม่เหมือนกับเวลาที่เห็นข้าวของที่เราซื้อมาแล้วเห็นแล้วก็รู้สึกเบื่อหน่ายเกะกะอยากจะเอาไปทิ้งนี่อันนี้มีความแตกต่างกันดังนั้นขอให้เราคิดว่าเงินทองที่เราหามาได้นี้ต้องเอามาทำบุญเพราะจะเป็นประโยชน์กับตัวเราอย่างแท้จริง จะทำให้เรามีความอิ่มมีความสุขจะทำให้เราไม่หิวไม่อยากกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้แล้วเวลาเราจะตายไปเราก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจไม่เครียดไม่ทุกข์เพราะเราไม่หวงเงินทองแล้วก็จะไม่มีเงินทองเหลือไว้ให้เราต้องมาเครียดก่อนเราจะตายเราก็ทำบุญไปให้หมดเลยถ้าเราเคยทำบุญอยู่เป็นประจำแล้ว เวลาใกล้าตายนี้เราสามารถที่จะทำบุญได้หมดเลยเพราะเรารู้ว่าตายไปเราก็เอาไปไม่ได้แต่บุญนี้เราเอาไปได้บุญนี้แหละถ้ามีกำลังมากกว่าบาปเราก็จะไปสู่สุคติไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมไปเป็นพระอริยบุคคลแต่ถ้าเราไม่ทำบุญเลยแล้วก็ไปทาบา เวลาตายไปบัญชีบาปมันจะมีมากกว่าบัญชีบุญบาปมันจะมีกําลังมากกว่าบุญถึงแม้เราจะไม่อยากจะไปอบายเราก็ต้องไปเพราะว่าเราตีตั๋วไปอบายกันนั่นเองถ้าเราอยากจะไปสวรรค์เราก็ต้องตีตั๋วไปสวรรค์ตั๋วที่จะพาให้เราไปสวรรค์ก็คือต้องทําทานต้องละบาปต้องชําระใจ่ายให้สะอาดส่วน ส่วนตัวที่จะพาให้เราไปอาบานก็คือไม่ทำบุญไม่ละบาปไม่ชำระใจของเราดังนั้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีเรามาลองนั่งคิดดูว่าตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานี้เราได้ทำบุญละบาปได้ชำระใจให้สะอาดบ้างหรือไม่ทำได้มากมีได้น้อยอย่าประมาท เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่อย่าไปคิดว่าเราจะตายตอนอายุ80 90ควเราทุกคนนี้มีสิทธิ์ที่จะตายได้ทุกเวลานาทีไม่มีใครรู้ได้ดังนั้นขอให้เราพยายามระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้ไม่ประมาทนอนใจเพื่อเราจะได้เตรียมตัวสะสมบุญไว้ให้มากๆ เพราะเวลาที่เราตายไปเราจะได้ไปสู่สวรรค์กันถ้าเราไม่ไม่คิดถึงความตายเราก็จะคิดว่าโอ๊ยเราอีกเรายังอยู่ไปอีกนานเรายังหนุ่มยังสาวอยู่ขอรอให้เวลาแก่ก่อนแล้วค่อยมาทําบุญถึงเวลานั้นมันอาจจะไม่ทันการหรืออาจจะไม่ได้แก่เสียด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นขอให้เรารีบทําเสียแต่วันนี้ ทำให้มากมากแล้วมันจะติดเป็นนิสัยไปแล้วเราจะทำต่อไปได้จนถึงเวลาที่เราตายถ้าเราไม่เริ่มทำในวันนี้มันก็จะหลอกเราให้หลอกให้เราเลื่อนไปเรื่อยๆปีหน้ามันก็บอกว่าไว้รอปีต่อไปปีต่อไปมันก็จะบอกว่าไว้รอปีต่อไปมันก็จะรอไปเรื่อยๆจนไม่มีวันที่จะได้ทำบุญสักทีแต่ถ้าเราเริ่มทำเสียแต่วันนี้ หัดทำทุกวันวันละบาทสองบาทสี่ห้าบาทก็ยังดีนะถ้าไม่ได้มาวัดไม่มีพระใบเบนทบาทผ่านบ้านก็เอาเงินทาบุญนิสัยกระปุกไว้ก่อนสะสมไว้ก่อนพอถึงเวลามาวัดก็เอามาถวายวัดเราจะได้ทำทุกวันเพราะถ้าเราไม่ทำทุกวันนี้เวลาจะทำแต่ละครั้งนี่มันฝืดมันยากแต่ถ้าเราทำทุกวันแล้วมันจะง่ายมันจะติดเป็นนิสัยไป แล้วเราก็จะมีความสุขทุกวันทุกครั้งที่เราทำบุญนี้เราจะมีความสุขดังั้นขอให้เราหัดมาเริ่มทำบุญกันอย่าเสียดายเงินทองเสียสละความสุขที่จะได้จากการไปซื้อของต่างๆมาเปลี่ยนเป็นซื้อความสุขทางใจกันดีกว่าทำบุญไปตามกำลังของเราวันละบาทสองบาทก็ยังดีทำไปเรื่อยๆปีหนึ่งก็ได้ต้ง300กว่าบาทแล้ว ถ้าทำสิบบาทก็ได้สามพันกว่าบาททำไปทุกวันทุกวันพอเราทำไปเรื่อยๆแล้วมันจะติดเป็นนิสัยแล้วมันจะทำให้เราไม่อยากจะหยุดทำแล้วพอเราตายไปบัญชีบุญของเราก็จะมีมากกว่าบัญชีบาปอย่างแน่นอนแล้วเราก็จะได้ตายอย่างสุขติไปอย่างสุขติกลับมาจากสวรรค์ก็กลับมาเกิดเป็นคนที่มีบุญมีวาสนา มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองรอเราอยู่ด้วยอำนาจบุญที่เราได้ทำไว้ในอดีตชาตินี้เองจึงขอให้เราคิดว่าการทำบุญละบาทนี้เป็นการกำไรไม่ใช่เป็นการขาดทุนขอให้เราเชื่อพระพุทธเจา้าแล้วพยายามปฏิบัติตามแล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเรานี้จะมีแต่ความสุขและความเจริญขึ้นไปตามลาดับ